<c oughs> อ่าก็ใช่เวลานี้เพื่อบอกงานบอกการของพวกเราเ็ราเรามีศรัทธาออกจากบ้านจากเดือนมาว่า อ, อยู่ที่นี่เพื่ออะไรก็มีงาน ทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ดำเนินที่ได้ใช้คิดมาถ้าไม่ทำงานก็ทำไม่เป็นงานของเราคืองานกรรมฐานถ้าทำงานแล้วมันผิดคือคนทำงาน มันถูกคือคนทำงานถ้าเห็นผิดก็เห็นถูกแล้วแก้ความผิดกป็ความถูกจะได้มีความชํานาญในความผิดความถูกแล้วก็พ้นจากความผิดทำให้ถูกไปเร ว, ว่าทํางานเป็นชํานานชานานในการงานงานของเราที่มัน เกิดับตายกับใจเมื่อเรามันหลงมีความรู้สึกตัวไหมถ้ายังไม่มีความรู้สึกตั ว, ตวก็พยายามประกอบขึ้นมาสติจะเกิดขึ้นก็เพราะการประกอบไม่ใชเ่เป็นการท่องจำ ประกอบเอากายมาประกอบเอาจิตใจมาประกอบให้มันเป็นอุปกรณ์บุพกิตเบื้องตน้นเพื่อให้ทำเพื่อเป็นงานที่ทำในว่าวิชากรรมฐานดังพระพุทธเจ้าได้อวบขึ้นหรือว่ายัางพระชิตถะอุบัตเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะ อ่านแบบนี้ได้เป็นเพนเดินหกนั่นน่ะนั่งอยู่ตน้นฉีมหาโพนั่นกู้แขนเข้ามีสติเหยียบแขนออกมีสติทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกบางทีก็จงกรมเดินกลับไปกลับม า, ารู้จักตัวกับการเดิน เนี่อเบากายานนปชนนามีประกอบโอากายมาประกอบให้มันรู้สึกตัวไนในกายอะไรที่เกิดขึ้นกับกายนี้ให้เห็นมันจะมีอะไรหลายหลายอย่างมีสติเข้าไปดูไปเห็น ความเทศความจริงถ้ามันทำให้หลงก็รู้มันทำให้สุขก็รู้มันทำให้ทุกข์ก็รู้มันจะทำอะไรต่างๆที่มันเกิดจากกายจากใจให้เป็นภาวะที่รู้ไป <c oughs> ให้มันจำนานแบบนี้ทำให้มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรียนรู้จำนานในการเห็น จำนานในการไม่เป็นเปลี่ยนการเป็นเป็นการเห็นถ้าเห็นแล้วก็หลุดท้นเหมือนกับเฉือนออกเอ็นสุกก็เฉือนออกให้เห็นเป็นทุกข์ก็เฉือนออกให้เห็นไม่เป็นสุกไม่เป็นทุกข์มันหลงก็เฉือนออกให้มันรู้ให้ถึงภาวะตัวรู้ อะไรเกิดกับกายกับใจให้ถึงภาวะตัวรู้จะให้ไปจนอยู่กับภาวะที่เป็นภาวะที่รู้ถ้าไม่มีก็ประกอบขึ้นมาขณะที่มันเป็นก็พยายามมีสติกำหนดที่ตั้งเอาไว้เล่อกรรมกรรมฐานตั้งไว้ทำไว้ ประกอบไว้ช่วยได้เป็นนิมิต ท, ที่อาศัยได้เอากายเป็นนิมิต ท, ที่ตั้งที่ทำมั้นเราจะยืนทางานจับไม่จับขวนเพื่อฝันต้นมม้ใหญ่ แล้วก็มีมีดมีขวานมีที่ยืนมีแรงแล้วก็วันต้นมาใหญ่ก็โค่นได้ไม่มีที่ตั้งมีเครื่องมือสติเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือความเพียรความมั่นของการตั้งใจเหมือนมีที่ยืน แล้วก็มีสติได้สติไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆยไม่ใช่คิดท่องจำเอามาการท่องจำมันไม่สำเร็จให้มันเห็นเข้าจริงจะเป็นการศึกษาจริงจะเป็นการถลุงเหมือนพระปานอะไรจำอะไรพระปานะมหาปานะ บวชมาพี่กับน้องวน้องชายเรียนอะไรไม่ได้ก็บวชท่องจําจําไม่ได้ลูกไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงพี่ชายบอกลูกไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนท้องยังไงก็มาได้ พี่ชายก็ดา่าปรึกหนาสาหโหดบอกอะไรก็มันค่อยจาเวลาไปกับพี่ไหนอายเพื่อนน้องชายเป็นคนผู้ปรึกหนาอายไม่อยากให้ไปด้วยจนถึงกับไล่ศึกไปซะมันเรียนไม่รู้อะไร น้องชายก็มาหยอกศึกร้องผมร้องให้ไปเผ้าพุทธเจ้า ว, ว่าพี่ชายไล่ศึกเพราะอะไรละ่ะพุทธเจ้าถามเมาท่องหนังสือไม่ได้พี่ชายสอนท่าไรก็จําไม่ได้รูปไม่เที่ยงไวชนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตน ก็เป็นไม่เที่ยงสเปสังคาลาอเนจ้าสเปสังคาลาทุขาสเปธรรมานตตาท่องไม่ได้บอกตรงไหนก็ไใดบักหนตอนไหนก็กนกท่องไม่ได้ต่เลยพี่ชายไล่ศึกไม่อยากศึกพระเจ้าก็บอกว่าไม่ต้องเรียนอะไรหอก เอาเอาผ้าขิ้นนี่ไปถ้าขาวเท่าฝ่ามือเนี่ยเอาไปรูปนะโจฮันนังละโจฮลน น, นังลูปไปบ่อยๆนะโจฮันนังรูปไปรูปไปลู ป, ปลอยข้างไหลายหนผ้าสีขาวๆเขาเปื้อนขึ้นเปื้อนขึ้นดำขึ้นเปลี่ยนสฉีเป็นสฉีใหม่ เป็นผ้าที่ป็สีดําเปืเป้อนไปหมดรลยต่อเลยเห็นผ้ามันต่างเก่าเหตุที่มันต่างเก่าเพราะลายเพราะการสัมผัสก็มองทะลุทะลวงไปถึงกายถึงใจที่เป็นเป็นสุกพี่มันเป็นทุกข์่ามันสัมผัสมันเป็นหลงก็เป็นผู้หลงสุกก็เป็นผู้สุขทุกข์เป็นทุกข์กขมันเลยเปื้อนซะ ไม่เพราะว่าเป็นเช่นนี้มันไม่ใช่ตัวใช่ตนอย่าไปเอาความหลงความโกรธความทุกข์ว่าเป็นตัวเป็นตนทะลุทะลวงอปแอกฉานไปไหนทำรรเดิดวิปิจ น, นาญาณขึ้นมาได้เป็นพลังั้นนี่คือกรรมฐานทำให้เป็น ไม่ใช่เรียนรู้ไม่ใช่ท้องจําเวลามันหลงรู้นะอย่าให้หลงเป็นหลงอย่าให้ทุกข์เป็นทุกข์ให้ชํานาญเรื่องนี้มันไม่มีอะไรหรอกปัญหาต่างๆมันเกิดที่กายที่ใจเพราะเราไปเป็นกับมันให้มันเห็นให้มันคล่องแคล่วชํานาญเฉพาะเรื่องนี้ไปก่อนมันหลง รู้เฉือนความหลงออกไปแล้วมันโศกรู้เฉือนความโศกออกไปแล้วมันทุกรู้เฉือนความทุกข์ออกไปแล้วหมอนจะเกิดไหลขึ้นพันหน้ารอยแปดกิเลสพันหน้าตัณหาร้อยแปดเกิดไหลขึ้นมากับกากระจเสือนไปเสือนไปไม่เข้าถึงภาวะทั่วรู้ภาวะที่รู้เนี่ยนี่คืองานของเราไม่ใช่จะมาทํามันเอน ถ้ายังมีความหลงอยู่นั่นแหละงานถ้ายังมีความโชความทุกนั่นแหละงานงานแบบนี้ไม่ไม่ใครช่วยเราได้ต้องตัวใครตัวมันความหลงก็ต่างกันแต่ชีวิตเท่ากันเวลาเท่ากันเราใช้ชีวิตอย่างไรมันหนึ่งเวลาวินาทีหนึ่ง มีอะไรที่มันจะชำนานในการที่มันเกิดกับกายกับใจเราเนี่ยชำนานเรื่องใดโดยเฉพาะกรรมาฐานตามรูปแบบของการเคลื่อนไหวมันก็พอดีวินาทีวินาทีถ้าเป็นเวลาหรือหายใจเข้าหายใจออกใช้วเวลาให้มันรู้เข้าไปดูซิ ให้เต็มที่โดยเสียยังไงไงเราก็ก็มาถึงที่นี่แล้วมามีศรัทธามาออกบวชเป็นอนาคาลิกไม่ได้บวชก็ไม่ไม่เกี่ยวข้องใดบ้านด้วยเรือนเน้าบริโภคกีวนจากคนอื่นแล้วฉันอาหารจากคนอื่น เราใช่เสยหนาสนะจากคนอื่นที่ทำให้เราเราเก็บไข้ได้ป่วยก็ใช่เพศสัตว์ที่คนอื่นให้เราพวกเราโสตายกันไม่กลัวความยากความจนไม่กลัวความยากลำบากเราจะทำแบบนี้ประโยชน์อันใดที่เราจะมาให้หลงเป็นหลงหยว่คึ้นย้ายตัวเอง ให้มันหลุดมันพ้นไปมันหลงพ้นหลงมันทุกข์พ้นทุกข์มันโกรธพ้นโกรธมันลอกหวานชังมันพอใจมาไม่พอใจให้มันพ้นไปให้ชำนานในการหลุดพ้นนี่คืองานของเราไม่ใช่ราบสักระเสียงเสิร์นเยินยออยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วไม่ได้มีราบสักระ ออเลยโสตายมันจะขนาดไหนดูสหลาหัใจเรา่อบองสุกุลต่อมาแล้วสี่ข้างเราเขาก็มีจะลอยต่อคนให้เรามานี่คนให้เรามาบองสุกุลต่อข้างที่หนึ่งตอข้างที่สอง บงสุขุลมอจอบบ้านค่ายช้ยผมขนไม้มาให้ต่อไปครั้งที่สี่นี่ที่สองที่สามน่ผ่านมาที่สี่น่มาจากมหาสารคามขนต้นเสาไม้จึงเป็นแบบนี้แล้วก็ภูมิใจไม่ใช่วิเศษวิโส อีบวร์เเราก็ตัดเป็นชิ้นไปขึ้นมาให้เราใครเป็นคนให้เราเราจะประมาทได้ยังไงเราจะได้ประโยชน์หลางจากการใช้ชีวิตแบบนี้จึงมีความบากบั่นมีความเพียรถ้าหลงเป็นหลงประพฤติ ท, ทำมันเร็วปฏ <c oughs> ิบัติทำมันเร็ว <c oughs> จะบรรลุธรรมเลิศ <c oughs> เป็นไปไม่ได้ถ้าหลงเป็นลูก ปฏิบัติอันเลิอดย่อมเลยผลดันเลิอดย่อมมีได้แม้เลือดเนื้อจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนทวมหลงเป็นไม่หลงนะ่จะหิวจะร้อนจะอยู่ยังไงก็จะเปลี่ยนมันให้มันรู้เข้าไปมีแน่นอนชีวิตของเราต้องมีปัญหาในมีเจ็บมีแฉะมีเจ็บ ม, มีตาย จะชำนาญไหมทำได้ไหมทำเป็นไหมเวลาไปาเจ็บทำไงเวลามาจะตายทำไงหงอยเกไม่ได้ทำไง<า>มันพวดเป็นทุกข์หรือจะทำชำนาญนยังไงถ้าทำไม่เป็นเนี่ยก็จะไปไม่ถึงไหน ปฏิบัติอันเร็วได้ผลอันเร็วเป็นบาปเป็นกรรมเลื่อยไปเป็นทุกข์เป็นโทษเลื่อยไปเราจรึงไม่ควรประมาทมองทั้งสองสฝ่ายต้องอาจจะกระตือหรือโลนเพื่อเราชีวิตของพวกเราสะดวกในการนี้สะดวกในการจิกขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต เพื่อให้ได้ชีวิตขึ้นมาให้มันได้จบไปซะมันเป็นความฉับทันนะไม่ใช่ความรู้เหมือ น, เ, นเราเรียนชำนาญวิชาการอะไรมาแล้วก็ทำได้อย่างคนหมอดูโรค อสองวันนี้มีคนไข้มาหามานี่เป็นโรคพอลอยก็ไม่โรคดูขาเป็นโรคให้หมอมาดูบอกคนหมอวันจบมาดูพอดีคนหมอวันจบเดินมากำลังพูดกันเรื่องเนี่ยเรื่องโรคก็ไม่เชื่อหลาโยนขาก็ไลยบอกคนหมอวันจบดู คุณหมอมันจะว่าอ้ ย, อยเชื่อลานนะเนี่ยแล้วก็ถามทนที่ป่วยเขาว่าไปหาโงรงพาามาศิลาเขาว่าเชื่อลาหาหมอคนไหนก็ว่าเชื่อหลาอย่าล้องตาเป็นโรคเป็นป่ามดำดำคันขันแล้วก็ เก่าก็ไม่ไม่ค่อ ย, ไ ม, อยไม่ค่อยหายมันหลงเก่าเวลามันคั น, นยังตอนกลางคืน เ, นเป็นปามขึ้นมาไปหาหมอรู้ว่าเป็นอะไรนรืว่าเป็นโรคมัเลิยมอีกงมบอกว่าอุา้ยงัง้นผิวแห้งไม่ใช่โรคผิวมันแห้งต้องออยาไปทาหรือมี หรือทาโลชั่นเรื่อยๆไม่ค่อยมีมันผิวมันแห้งหันก็อาคหม อ, อยามาทาให้หายอันดำดำก็หายไปแล้วว่าเป็นโรคมเลเร็งหรือเป็นโรคเอด <c oughs> ไปเห็นคนเป็นโรคเอดนี่คล้ายๆกันดำดำเป็นจุดดำจุดอ่ลนๆตามท้องตามขา ตรงที่มันเนื้อแข็งๆไม่เป็นมันเป็นตำชุด อ, อยยามาทาก็หายเอาผิวมันแห้งขนแจ่ไม่มีมันอ่แต่ว่าไขมันอยู่เลือดมีมากเลยไขมั น, มนในผิวหนังไม่มีเนี <c> ่ย <oughs> ความชำนานของคนหมอเราก็ชำนานชำนานในการ ชีวิตของเราให้มันหลุดพด้นชำนานในความหลุดพด้นคือหน้าคือหน้าที่ของเราไม่ชช่เรื่องอื่นทําไมจะไม่ชํานาญทําแต่เรื่องอย่างนี้ตลอดเวลาเห็นแต่เรื่องอย่างนี้มันก็มีเรื่องอย่างนี้ชํานานมันบอกยิ่งพอเราศึกษามันก็ยิ่งบอก ความจริงมันบอกความไม่จริงมันบอกความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงความโกรธอะไรต่างๆกัญชาต่างๆไม่จริงผมไม่ผมไม่เป็นอะไรแต่มันจริงสัมผัสตัวแล้วได้ผลหาย หายจากภาวะชนนี้หลุดพ้นไปได้มันก็เรื่องเก่าๆปัญหาที่เกิดกับกายกับใจเรื่องเก่าๆไม่ใช่เรื่องใหม่งอกงามขึ้นมาเหมือนเชื่อโลกน่าจะจบอางันจบซะตั้งแต่นมนมน้อยๆก็ดีแต่ถึงข่าวที่มันจะถ้ามันไม่จบจะต้องเป็นภาระมีปัญหาเรื่อยไป สมหลงก็หลงรวยปลยไปไกลความหลงน่ยเป็นเปตก็ได้เป็นชตาโลกเป็นเนรชานเป็นอสุรกายก็ได้ความไม่หลงก็ไปไกลเป็นเทวดาเป็นพระอินพระพมเป็นพระเป็นมนุษย์เป็นพระได้ข้าเรารู้นะทวยเจ้าจึงบอกว่าสอน มนุษย์เทวดามารผมให้ลู้ตามเป็นคููโลกกวิธูสอนได้เพรา ะ, ะเพราะว่ามันเรื่องเดียวกันมันก็มีอันเดียวกันเราจึงตัดฉินใจตกลง ว่าจะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแม่เลือดเนื้อกระดูกกระพูฟังอะไก็ตามจะไม่เลิกทําความเพียรในเรื่องนี้ในความหลงเมื่ได้อยู่ในความเท่าความแก่ความเจ็บความป่ยในความไม่หลงก็มไม่ได้อยู่ในการเวลาใดเปลี่ยนได้ทันที <c oughs> ไม่มีสิ่งที่อ้าง อย่าด้านตรงนี้อย่าจนอย่ามักง่ายให้ใส่ใจชั่งหน่อยดังเราไปขอปฏิบัติกรรมฐ า, าน อ, อิมาหังพระ่าอัตตาภาวังอัมหากังปริสัจชามิอิมาหังอาจลิยัง อัตภาพวางังอภังคังบริสัทธ์ชั่มิเจ่กนก็ว่ากันนาราจะปฏิวัติธรรมมีแต่ภาวะที่ว่าอิมาหังพักวาข้าแต่พระผู้มีพระจ้าผู้เจริญอัตภาพวางังอภังคังบริสัทธ์ ม, ไมิไม่อยากไม่อยากแปลเพราะมันไม่โลภาษา แม้เนื้อเนื้อเอะเอ็นยากลุกแกผูพังก็ตามจับปฏิบัติธรรมกรรมฐ า, านอิมาหังอาจาริยังถ้าแต่พระอาจารย์เขาจะเ้าเจ้าขอปฏิบัติกรรมฐ า, านเอาเลือดเอาเนื้อต่อรองไม่ใช่เอาความหลงเอาความสะดวกเอาความ อะไรต่างๆเอาได้อาไม่ได้จะทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้ถ้ามันชอบก็จะเอาถ้ามันชอบก็จะหนีไม่ใช่โอจริงเหล่านั้นมา่อลองเคยมีบางคนชีวิตบางค น, หนงเห็นน่าวด <c oughs> อย่าลองปฏิบัติให้เข้มสักสามเดือนถ้าไม่ได้บรรลุธรรมขอลาสึก เดีย๋ยวนี้ต่ะทลอง ก, กับการกระทาแบบนี้ใช่ไหมนั่นก็อยู่นี่หมูป่ายังมีเยอะบานทีกลัวหมูป่าวิ่งมาอย่างแรงกลางคืนบางทีนอนอยู่ในป่าหมูป่าวิ่งมาจะจะชนเขา้าก็มีปัญหาเยอะ เห็บก <sm ans> oh ็มีเยอะแยะไม่สะดวกเอาความไม่สะดวกเป็นความไม่สะดวกต่อรองเอาความได้เอาความไม่ได้มาเป็นความเอาความไม่ได้มาเป็นความลร้ต่อรองเอาความยากมาเป็นความยากมาต่อรองไม่ใช่ก็มาฐานไม่ใช่เอาเรื่องนั้นมาต่อรอง มันยากก็ไม่ใค่มาทดลองมันง่ายก็ไม่แค่มาทดลองให้มันเห็นเนี่ยภาที่เห็นเนี่ยมันหลงเหตุมันมันผิดเห็นมันถ้ามันผิดอยากให้มันถูกไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> นั้นผิดอรู้เนี่ยในความผิดก็ในความไม่ผิด ไม่มีอะไรต่อรองไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรเสีย่ยไม่มีอะไรเป็นหนุ่มเป็นแก่ไม่มีอะไรเป็นเพศเป็นวัยไม่มีเลยมีแต่ทำสองอันโกศลเตาโกศลให้เห็นมันเก็บ อะไรมาต้องห <c> ล <oughs> ตายเอะไรมาต้องหงไม่มีมีแต่พระพ่อที่เห็นไม่เป็นที่เอาเป็นการกระทําไม่ใช่มีอะไรมามาเปรียบเทียบบันนั่นดีอันนั้นไม่ดีไม่ใช่มันเห็นแจ้งเนี่ยพรไวยเ่นนี้ไม่มีอะไรอ้างทั้งทีนไร ไม่มีอะไรต่อรองเป็นความเพียรนานหัดตนสอนตนไปใช่ใได้ลล อ, อันหลงโล่ไอยพู้จุชะมงเหรอมันหลงเห็นมันหลงไม่เปลี่ยนผู้หลงไม่มีความว่าแก่ว่าหญิงว่าชายว่าเพศว่าไหวกังเขมกันเกินเวลาไหนไม่มีกานใดไม่มีมันปวดเห็นมันปวดไม่เป็ียนผู้ปวด มันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เปลี่ยนผู้ทุกข์ <c oughs> ไม่ม <c oughs> ไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีสถานที่มันเรื่องของปฏิบัติมันเรื่องของการศึกษาหรือประสบการณ์อย่างความชานิชำนาญประสบการณ์อย่างความ ช, นชนานิชานาญทาเป็นทาเป็น มันก็เรื่องเก่าเก่เอาจึงหัดไม่ใช่เปรียบเทียบเปรียบเทียบอบบนั้นอุปมาอุปมาไม่ใช่หรอกเป็นการที่เห็นชนเข้าจริงจงเหมือนก็ปัญะเนาะโจหะนนังเห็น สัมผัคม ส, วสผความเผาสัมผัสความเพื่อนในความเผาวความเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นเห็นเหตุที่มันสัมผัสของที่มันชาติมาจะเดิมเมื่อมาสัมผัสเข้าก็เกิดการาเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราบริโภคอาหารบิณฑบาตเชนาชนะจีวรทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกียิมาจะเดิม ถมาถูกก็กลไกลอเน่าอยู่เป็นนิดนี่แล้วย่อมเป็นสิ่งที่น่าหลังเกียดไปด้วยกันอาหารเป็นของบริสุทธิ์สะอาดมาจากเดิมมาถูก ก, ก็กลไกลอเน่าอยู่เป็นนิดนี่แล้วย่อมกลายเป็นสิ่งที่น่าหลังเกียดไปด้วยกันใจของเราแต่เดิมบริสุทธิ์แต่มันอารมณ์มันจรมาทําให้เศร้าหมอง ไม่ใช่ใจมันเศร้าหมองความเศร้าหมองความโกรธควา ม, วามหลงความทุกข์ <c oughs> ไม่ใช่ใจมันเป็นกัรเนืะอโจลันนังมันสัมผัสมันมาเปื้อนเฉยจเราไปเอาว่าเป็นเหล่าความสุข ก, ก็เป็นเราความทุกข์ก็เป็นเราเราสมมุติเราบัญญัติสองชั้นสามชาั้นเป็นตัวเป็นตน เมื่อเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นพบเป็นชาติในความสุขเป็นพบเป็นชาติในความทุกข์เป็นพบเป็นชาติในความลักความชางังก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในชาติท่านนั้ น, น, นเรียกว่าวัตตะสงสารโกรแล้วโกรธอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกใจเสียใจ <c oughs> ผูผูแพรแพรบคุ้มร้อยคุ้มดีอันนั้นมันเกิดดับเกิดดับวิชากรรมฐานจะเห็นอาการเกิดดับของรูปนามของนามมารูปนั่งอยู่นี่ที่เรียว่านั่งสบายเอาไปมากเกิดดับ มีอะไรเกิดขึ้นนั้นเที่ยงไม้นอนว่ามันดีนอนดูชอเกตวันได้ไหมยืนว่ามันดีนั่งว่ามันดีเดินว่ามันดีมันอยู่ในภาวะก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ถั่วตวนท้องนอนเราไปยึดว่าเราสุขเลทุกข์ก็อย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ค่อยดี การมาสร้างความปฏิบัติธรรมแบบเดินจากรมไม่ดีมาสร้างจังหวะยกมือเคลื่อนไหวก็ไม่ดีจริงๆมันดีกว่าคือมานั่งตั้งกายให้ตรงมีสติสรู้เฉพาะมีสตินั่งก็ใช้ได้แล้วหายใจเข้าหายใจออกก็ใช้ได้แล้วทำไมจะต้องมายกมือเคลื่อนไหวทําไมจ้องมาเดินจงกรม อยู่เช่นนี้เป็นทุกขาปฏิปทาลูกทำไม่ได้ปฏิบัติลําบากเอาอะไรเป็นทุกขาปฏิปทา อ, าอะไรเป็นสุขาปฏิปทาเอากายหรือเป็นเรื่องกําหนด เ, เห็นเราก็ไม่ชอบ เ, อเห็นแบบนี้เราชอบมันไม่ใช่างุกขาปฏิปทาควงหลงเป็นหลง ทุกข์ขัปฏิปทาความสุขเป็นสุขทุกข์ขัปฏิปทาความทุกข์เป็นทุกข์ทุกข์ขัปฏิปทาอะไรที่มันเป็นมันเป็นน่ะเป็นทุกข์ขัปฏิปทาทั้งนั้นไม่ใช่สุขขัปฏิปทาถ้ามันสุขให้มันสุ ข, น, สขนี่แหละสุขขัปฏิปทามันจะพ้นไปได้งั้นหลงให้มันหลง เป็นสุขปฏิปทาไม่เอารูปแบบมันเป็นเกณฑ์ชี้วัดเอาตัวปฏิบัติเอาหลักปฏิบัติเข้าไปก็ตัวการกระทํำเข้าไปจิจเพศกรรมกรรมคือการกระทําเมื่อมีการกระทําก็พ้นกรร ม, มในช่กรรมคืออะไรกรรมคือคือหลงโวยโวย ถ้ลงบ่อยๆก็ยังเป็นกรรมอยู่ทุกข์บ่อยๆโกรธบ่อยๆรักบ่อยๆเกลียดชังบ่อยๆสุกทุกข์บ่อยๆดีใจเสียใจบ่อยๆนั่นไม่พ้นกรรมยังมีกรรมมื่ันสุขแห็นมันสุขกุมกมเนิดของกรรมได้บ้างแล้วมันทุกข์เห็มันทุกข์ควบกเนิดของความทุกข์ได้บ้างแล้วมันโกรธเห็นมันโกรธควบกำเนืดของความโกรธได้บ้างแล้ว กำ uh <eh umm> เนิดของของของก่อนเกิดเจเยบตามันอยู่ที่นี้ไม่ใช่เป็นคนแก่เช่นหลวงพ่อกัหลวงพระกลมถือไม่เท่าสักไปโ้่คนแก่เช่นคนหนุ่มกคนหนุ่มน้อยๆเนื้อหนังเนื่อตึงหนังเนือหนังเนื่อแขนเรืองมาก ไอ้คนเกิดเห็นหนอนเกิดอ่านเกิดแบบนั้นมันไม่ได้ประโยชน์เกิดความหลงเกิดความทุกข์เกิดความสุขเกิดความละความชังนี่คือการเกิดดับเกิดดับถ้ามีอย่างนี้ก็มีเกิดแบบนั้นเรื่อยไปยังคนจะเกิดในครันมันก็เกิดอันนี้ก่อนเกิดควไม่รู้เกิดคารภาวะที่เป็นขึ้นมามันก็ใบกาย เกิดตอนนั้นอนนันหนึ่งเกิดดับมันเกิดดับนเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติธรรมจะเห็นชัดเขนอาการเกิดดับของนามรูปพระพุทธเจ้าไม่เกิดตรงนี้ตั้งแต่วันเพ็ญเดือน6กพระชนมายุส5ห้าปีพระชนมายุส5หปีหยุดเกิดหนือการเกิดเจ็เจ็บตาย นิพพานตอนพระชนมายุ 35, สามสิบห้าพันสายังไปสอนธรรมนิพพานไปแล้วนิพพานแล้วมันดับหมดแล้วภาวะเกิดแบบนี้ดับหมดแล้วเราไม่มีภพอีกแล้วอย่าเราสวดท ร, รมะจักไม่มีภพอีกแล้ ว, ไ ม, มลวไม่มีชาติอีกแล้ว ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรแล้วชาติเช่นแล้วความวิจารณ์อยู่จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทําเรื่องนี้ไม่มีอีกแล้วนี่คือปฏิบัติธรรมนั้นทําได้เดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ชํานาญเดี๋ยวนี้ถ้ามีหลงชํานาญในความไม่หลงนี่งานของพวกเราถ้ามาันจบทํางานในความไม่จบถ้ามันทุกข์ชำนาญใ น, นความไม่ทุกข์ ว่าง่ายงายเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ทําเหตุพ้นจากเหตุเห็นมรรคเห็นวิธีที่ชาวไมคพ้นทุกข์ทำแล้วพ้นได้แล้วแล้วก็หลุดพ้นหลุดพ้นห ล, ด น, หลดนี่โลดทุกข์สมไทยนีโลดมรรค รวมแล้วคือเห็นไม่เป็นมันทุกเห็นมันทุกไม่เพื่อไม่เป็นผู้ทุกพ้นจากทุกมันโกรธเห็นมันโกรธมันเป็นผู้โกรธพ้นจอกโกรธสามสามสามครั้งสามครั้งเกลี้ยงเก่าไปเลยเหมือนเห็นงูออกจากงูพ้นจากงูถ้าเห็นเนี่ยมันดีภาวะที่เห็นเนี่ย นี่แหละคือสติภาวะที่เป็นหรือ ว, ว่าไม่ <c oughs> ไม่มีสติเราจะมีเกณฑ์ชีวิตชีวิตของเราแบบเนี้อ่ะนะภาวะที่เห็นนี่แหละสติปัฐานภาวะที่เป็นไม่มีสติปัฐานมีสติธรรมาดาสัตว์เดรัฉนก็มีสติธรรมาดาหมูมาเป็ดไกลก็มีสติ สติปัฏฐานน่ะคือเรื่องนี้เห็นไม่เป็นพ้นไปนี่มันต้องประเสริฐจากี้ชีวิตของมนุษย์ได้โศกเป็นโศกทุกเป็นทุกไม่ประเสริฐเลยไม่ต่างกันกับสัติรัชานนะเราจึงมีคำสอนมีวิธีปฏิบัติ เป็นอย่างนี้ลองดูสิพิสูจน์ดูสิคำสอนพระเจ้าคช่จริงอะไรเอามาทำดูมาประกอบดูมันหลงเห็นมันหลงทำาให้เป็นหลงที่ใดเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงห้นจากหลงชำนาญมากเลยคนที่จก็ถึงภาวะมันเกิดเห็นมันเกิด ไม่เป็นผู้เกิดพ้นจากความเกิดมันแก่เห็นมันแก่ไม่เป็นผู้แก่พ้นจากความแก่มันเจ็บเห็นไม่เจ็บพ้นจากความเจ็บมันตายเห็นมันไม่เห็นมันไม่ตายพ้นจากความตายย่อเหนือก่อนเคเจ็บเจ็บตายในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ชาติหน้าผู้นี้ผู้นี้ไม่มีมีเยวันทาอะไรไม่ได้ ทำได้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ทําเดี๋ยวนี้ให้มันได้พรุ่งนี้ก็ยังจะมีปัจจุปนันจะอยู่ทามองตดถะตเถะวีปสติเนียเนาะได้ยินยไหมอ่ากัฟังกัน